เป็นเพียงกระแสของรูปธรรมนามธรรมาส่วนย่อยจำนวนมากมายที่สัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นเหตุปัจจัยสืบต่อกันกำลังเกิดขึ้นและเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่รู้เช่นนี้จึงยึดถืออาความรู้สึกนึกคิดความปรารถนาความเคยชินทนัศนคติความเชื่อถือความเห็นการรับรู้เป็นต้นในขณะนั้นๆว่าเป็นตัวตนของตนแล้วตัวตนนั้นก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไป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 คฤห บ, บดีชื่อนั ก, กุลบิดาเข้าไปหาท่านประสารีบุตรอภิวาสแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านประสารีบุตรได้ตักถามว่าแน่ท่านคฤห บ, บดีอินทรีย์ของท่านผ่องใสนักสีหน้าของท่านก็บริสุทธิ์เปล่งปลังวันนี้ท่านได้ฟังธรรมมีกถาในที่จะเปาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหรือคารห บ, บดีนั ก, กุลบิดาตอบว่า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 พระผู้มีพระภาคทรงหลังอมริตรถข้ฆ่าพระเจ้าด้วยธรรมีระถาดังนี้แล